ญาติทางห่างของผมคนหนึ่งมีศัก์เป็นลุงเมื่อยายของผมสิ้นบุญไปผมก็ลอยเคว้งบิดามารดาก็ไม่มีมาตั้งแต่เด็กแล้วครั้นเมื่อสิ้นยายก็หมดทางที่จะเรียนหนังสือได้อีกก็พอดีญาติทางห่างที่มีศัก์เป็นลุงคนนี้มีอาชีพเป็นหมอยาไทยอยู่ตำบลท่าหลวงรับและจะส่งเสียให้ผมเรียนต่อในกรุงเทพแต่ขอว่าให้ไปพักอยู่กับแกก่อนชั่วคราว จนกว่าจะหาทางและเตรียมเงินเตรียมทองพอที่จะส่งเสียการเรียนได้จึงส่งมาพักกับญาติของแกในกรุงเทพและได้เรียนหนังสือลุงผมคนนี้เป็นหมอยาไทยชื่อดังในตําบล น, นั้นเปิดร้านขายายาไทยในบ้านของตนเองที่ริมแม่น้ําแควป่าสักนอกจากแกจะเป็นหมอยาไทยแล้วชาวบ้านแถบนั้นยังเชื่อกันว่าแกเป็นผู้มีวิชามีเวทมนต์คาถากลาถูกผีเข้า แกก็สามารถเอาออกได้และยังพูดกันยิ่งว่าแกอาจจะเอาปอบเข้าท้องใครก็ได้แต่ว่าเรื่องอย่างนี้ผมไม่เอาใจใส่จึงไม่รู้อะไรไปมากกว่านี้คอยแค่เวลาแกจะส่งเข้ากรุงเทพเท่านั้นในระหว่างที่อยู่กับแกก็มีหน้าที่ต้มยาตามที่แกบอกในเวลาแกจะไปรักษาใครต่อใครในละแวกนั้นบ้านเรือนของเราตั้งอยู่ทางหลังตลาดและตลาดนี้ชาวบ้านเรียกกันว่าตลาดบ้านล่าง การตั้งบ้านเรือนของลุงมีคนพูดกันว่าไม่ถูกหลักการค้าถ้าตั้งร้านอยู่ในตลาดจะดีมากการค้าเครื่องยาจเจริญกว่าอยู่เป็นบ้านธรรมดาแต่ลุงของผมแกบอกว่าคนดีจริงแล้วก็จะอยู่ที่ไหนก็ได้ต้องมีคนไปหาให้รักษาเองมาซื้อยาเองความคิดของแกเป็นแบบนี้จึงต้องตั้งห้างยาขายนอกทะเบียนอยู่หลังตลาดในห้างขายยาของลุงเรามีด้วยกันสี่ชีวิตเป็นเจ้าหน้าที่ ก็คือหตัวของลุงซึ่งเป็นนายแพทย์ 2. คือตัวผมเป็นผู้ช่วยแพทย์ทุกๆหน้าที่ 3. าพี่อ่อนซึ่งเป็นลูกสาวของลุงเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลกิจการแผนกอาหารและก็เก็บกวาด 4. ไอ้ดอกมีหน้าที่เฝ้าดูแลเห่าหอนพวกศัตรูมีให้พวกศัตรูเหยียบย่างเข้ามาในเวลาค่าคืนตัวบ้านของเราเป็นฝาขัดแตะหลังคา ม, มุงด้วยจากตามความนิยมของชนบทนั้น ภายในเต็มไปด้วยเครื่องยาสมุนไพรร้อแ8ในห้องนอนของลุงเต็มไปด้วยสัพพาวัตถุต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางทุกชนิดตะกรุดต่างๆผ้ายันผ้าทงแขวนไว้ตามฝาห้องพื้นห้องมีโต๊ะบูชาทั้งพระและฤาษีทั้งโต๊ะวางเล่มสมุดคอยตำรายาตำราสเสนตัาราเรื่องแก้ผีผีสังเต็มไปหมดแทบว่าจะไม่มีทางเดิน เวลาจะเข้าไปนอนแต่ละทีตัวแกเองก็จะค่อยๆสอดเท้าเดินเข้าไปมิฉะนั้นก็น่ากลัวว่าจะเหยียบอะไรแตกหักไปหมดส่วนตัวของผมนอนในห้องเครื่องยามีหิ้งติดฝาทุกด้านและในหิ้งก็เต็มไปด้วยรากไม้สมุนไพรร้อยแแถมกระบุงระบายใส่อีกไว้ตามพื้นห้องความรกเรื้อเป็นที่สองของห้องลุงพี่อ่อนนอนห้องถัดไปห้องแกไม่รกรุงรังเหมือนคนอื่นแม้จะเป็นห้องแคบๆ เรื่องบริเวณของไอ้ดอกไม่ต้องพูดถึงกว้างกว่าใครในบ้านก็คือใต้ถุนและจะมีกระดุงตากล้าอยู่บ้างในเวลาที่ยกพื้นก็ไม่มากมายนักนอกจากนั้นก็จะมีที่เหยียดแข้งเหยียดขาได้ทั่วไปในบริเวณรั้วบ้านในคืนเดือนมืดวันหนึ่งเป็นเวลาที่ตลาดบ้านล่างของตำบลท่าหลวงสงบนิ่งอยู่ในความเงียบสงดทุกบ้านทุกช่องดับไฟนอนเงียบหมด ก็เกิดเสียงเจ้าดอกเห่ากระโชกตามที่ของมันที่ใต้ถุนบ้านนั่นเองเสียงของมันดังพอที่จะปลุกคนในบ้านทางบ้านให้ตื่นผมเงี่ยหูฟังนิ่งอยู่ในมุง้งในบัดนั้นก็มีเสียงคนร้องเสียงแซ่แทรกเสียงไอ้ดอกขึ้นมาพ่อหมอพ่อหมอครับเสียงนี้ลุงแกได้ยินแกก็เลยร้องขานออกไปนั่นใครอะฉันเองพ่อหมอทิดกอไงออทิดกอเหรอครับฉันเอง อ๋อบ้างไงล่ะกอช่วยดูไอ้ดอกให้ฉันด้วยเหอะพ่อหมอจะว่าไปไอ้ดอกก็นับว่าสำคัญในที่นั้นจะเป็นใครก็ตามที่เคยมาหาลุงในเรื่องของการรักษาแล้วก็ซื้ อ, อยาต้องรู้จักชื่อไอ้ดอกทั้งนั้นอ่ะมีธุระอะไรล่ะกอมีมีลุงลุงหมอธุระร้อนจีเลยล่ะ ผมเป็นผู้ช่วยแพทย์ไม่ได้คอยคำสั่งจากนายแพทย์แล้วก็รีบลุกขึ้นไปเปิดประตูเรือนและลงไปเปิดประตูรัว้วรับแขกผู้ที่มีนามว่าทิดกอ๋อให้ขึ้นมาบนบ้านทิดก๋อเป็นชายหนวดดกนุ่งผ้าพื้นลอยชายมีผ้าคาดพุงเสื้อไม่ได้ใส่ตามความนิยมของบ้านนั้นลุงแกจุดตะเกียงทิดก๋อก็นั่งพับเพียบอยู่ใครเป็นอะไรล่ะอียิ่งไงพ่อหมออียิ่งมันโดนผีเข้าในหนวดตอบแบบเสียงตื่น แม้ช่วยกันแก้ไขมาตั้งแต่หัวค่ำก็ไม่สำเร็จนะเออแล้วผีใครล่ะทิดก่อพวกลาวข้างบ้านเขามาช่วยได้ความว่าทิดก่อหยุดพูดคล้ายกับเกรงกลัวแววตาแวววับขยับตัวเข้าใกล้ลุงแล้วพูดเบาเกือบกระซิบคือมันอย่างนี้นะพ่อหมอนั่นยิ่งเนี่ยมันถูกของและของที่เนี่ยก็เป็นของของฉันที่ไปเอามาจากหมอลาวที่ปากเพียว หมอล่าวนี่ให้ฉันมาฉันไม่เคยแก้ผ้าขาวออกดูเลยว่าในเนี้ยมันมีอะไรบ้างเป็นแต่เขาบอกว่ามันกันผีดีนักฉันก็เลยเอาไว้บนหิ้งพระแต่เอออีตอนนี้มันเล่นงานนางยิ่งเข้านะสิพ่อหมอพูดจบแล้วยังคงนั่งนิ่งมองตาลุงคอยดูความเห็นจากลุงทําไมไม่เอาไปให้มันพ้นสะละลุงถาม ก็ทําไม่ได้นะสิพ่อหมอพอหยิบของนั่นนังยิ่งมันก็ร้องดังกว่าใครเหมือนเอาห อ, อกมาแทงมันเออชอบกลนว่ะก็เมื่อฉันจะมาที่เนี่ยพวกเราที่เขามาช่วยเราเขาก็อาจจะเอาของนั่นไปแต่พอเข้าไปหยิบเท่านั้นแหละอีกาแตกฝูงมาแต่ไหนก็ไม่รู้ตอนกลางดึกแบบนี้บินเข้ามาเกาะขอบหิ้งพระแล้วก็ร้องเสียงลั่นไปหมดเลยพูดแล้วทิดกอก็ลุกขึ้นนั่งยองๆกอดอกห่อตัวคล้ายกับจะหนาวสัน่น สังเกตว่าตามตัวมีคนลุกเกลียวลุงร้องในลำคอพร้อมกับพยักหน้าเห็นด้วยในเหตุที่รับฟังช่วยสักทีเถอะพ่อหมอฉันมองไม่เห็นใครแล้วหมดปัญญาจริงๆพ่อหมอเอ้ยลุงยังไม่ตอบรับว่าจะช่วยหรือไม่ช่วยผมนั้นไม่อยากให้ลุงรับปากเลยเพราะว่าถ้าลุงรับปากลุงเป็นนายแพทย์ผมคือผู้ช่วยแพทย์ก็จะต้องไปอีกในยามค่าคืนเหมือนแบบนี้ และครั้งนี้หาใช่โรคธรรมดากลายเป็นเรื่องผีผีสา ง, สางเรื่องผีกระผมช่างเอื่มระอาเป็นที่สุดจับไข้หัวโกรนมาแล้วก็บ่อยครั้งในครั้งนี้จริงอยู่ที่ไม่ใช่การตายหรือเกี่ยวข้องกับศพแต่อย่างใดแต่ว่าฟังจากทิดก่อเล่าให้ฟังนั้นมันก็น่าเสียวแสแยงอยู่อย่างเล็กน้อยหรือแต่ผมจะทุกข์ใจไปก็เท่าใดช่วยอะไรไม่ได้เพราะลุงออกปากรับช่วยทิดก่อซะแล้วเอาวะลองดูสักตั้ง แต่มันแปลกใจอยู่นะเพราะว่าตัวของชั้นเองก็เพิ่งจะเคยได้ยินเรื่องแบบนี้ลุงพูดอย่างแบ่งรับแบ่งสู้ครั้นแล้วเราทั้งสมคนก็ออกจากบ้านในยามนั้นพี่อ่อนออกปิดประตูรั้วและเฝ้าบ้านสองคนกับเจ้าดอกขณะแพทย์กับเจ้าของไทยก็เดินทางฝ่าความมืดไปลุงหมอเดินคู่กันไปกับทิดกอผมหิ้วกระเป๋ายาตามหลังก็เริ่มปอดลอยขึ้นมาซะแล้วเพราะคําที่ทิดก่อเล่าให้ฟังเมื่อครู่มันยังติดอยู่ในหู ซำต้องเดินตามหลังซะด้วยถ้าผมโต โ, โตขนาดเท่าเขาก็พอข้อ ย, ยังชั่วแต่นี่ผมยังเด็กหัวใจไม่แข็งพอที่จะสมบุกสมบันในเรื่องแบบนี้การเดินทางกลางคืนในชนบทเราไม่สมัครใจที่จะเดินเฉียดบ้านใครเพราะรบกวนชาวบ้านหมูหม้าจะเห่าทำเอะอะก็เลยลัดทุ่งโล่งบ้างดงไม้มืดๆบ้างบางแห่งก็ราวกับป่าผมกัดฟันหิ้วกระเป๋าตามไปให้ทันเบื้องหน้าเรามีฝนตั้งเค้ามืดครึ้มอยู่ กระแสลมฝนพัดมาอ่อนๆแสดงว่าฝนกำลังจะเริ่มมาหาเราแล้วหากแต่อยู่ไม่ไกลสักหน่อยหนึ่งเจ้ากบเจ้าเขียร้องท้าทายฝนอยู่ข่มถ้าหากว่าฝนประเดลงมาในเวลานี้คงจะลำบากในการเดินทางไม่น้อยพวกเราก็เลยต้องเร่งฝีเท้าอีกพักใหญ่จนถึงบ้านคนไข้บนบ้านนั้นมีคนพลุกพล่านแสงตะเกียงสว่างพอเราทั้ง3ก้าวขึ้นบนบันไดเท่านั้นก็ได้ยินเสียงแหลมๆของผู้หญิงตะโกน ล, ลงมาก่อน นึกว่าคงจะเป็นเสียงของคนไข้ที่ผีเข้านั่นเองมาอีกคนเหรอหยุดหัวเราะพร้อมกับเสียงแหลมๆพร้อมกับพูดว่ามาสิวะมาลองดีกันทิดก่อสะกิดให้ลุงฟังและเตือนว่ามันเริ่มจะแผงริทละยังไม่ทันจะเห็นตัวเลยมันยังรู้ว่าหมอมานับเป็นขั้นแรกที่มันจะเริ่มเล่นงานเราแต่ลุงก็เฉยๆไม่สะดุ้งสะเทือนอะไรคงก้าวขึ้นบันไดเป็นปกติ จนได้เข้ามานั่งในห้องของคนไข้อย่างเรียบร้อยลุงได้หันไปพินิษพิเคราะห์ร่างของหญิงสาวที่นอนเหยียดยาวอยู่บนที่นอนเก่าๆแม่คนไข้สาวก็จ้องมองดูเราเช่นกันซ้ำยังหัวเราะเสียงแหลมใส่หน้าผมกลัวในแววตาของแกจึงนั่งหลบหลังทิศก่อเออหัวเราะไปเถอะเดี๋ยวแกจะรู้ว่าใครเก่งกว่ากันเลี้ยวแกจะได้เห็นดีกัน คุณลุงพูดอย่างทำรามแล้วหันบอกทิดก่อให้เตรียมเครื่องจะทำน้ำมนต์คือดอกไม้ทูบเทียนพร้อมเงินหกสลึงทิดก่อนำมาให้เรียบร้อยทั้งขันน้ำการทำน้ำมนต์ได้กินเวลาไปพักใหญ่ๆแล้วลุงก็ถามว่าของที่ทิดก่อว่านั่นอยู่ที่ใดทิดก่อก็ชี้ให้ดูว่าอยู่บนหิ้งพระทุกคนในบ้านต่างแง่งหน้ามองตามด้วยกันหมดครั้นแล้วลุงก็ลุกขึ้นยืนและจะไปหยิบของสิ่งนั้นแต่จะด้วยบังเอิญหรืออะไรก็ยากที่จะพูดได้ พอมือของลุงไปแตะโดนของสิ่งนั้นเสียงฟ้าก็คำรามคลืนใหญ่บ้านเรือนไหวสะเทือนดังกรอบแกรบทุกคนในบ้านต่างสะดุ้งจนตัวลอยนางสาวเจ้าของไข่ก็ร้องกรีดและดิ้นอละวาดใหญ่ลุงร้องให้ช่วยกันจับไว้ให้แน่นแกก็หยิบห่อนั้นมาโดยไม่ฟังเสียงคนไขย้ยิ่งดิ้นหนักเข้าไปใหญ่ซ้ำร้องด่าลุงขมถมเถลุงทิ้งห่อนั้นลงบนพื้นแล้วเอาเท้าเหยียบไว้พร้อมกับเสกเป่ากำกับมึงไปกับกู ลุงคำรามอย่างโกรธที่ถูกด่าใส่หน้ากูไม่ไปไม่ไปมึงก็ตายทันใดนั้นเองเสียงดังพรึบๆของปีกนกดังขึ้นทางช่องหน้าต่างและและ้วชั่วพริบตานั้นเจ้าของเสียงก็ปรากฏตัวเข้ามาเป็นอีกาตัวหนึ่งบินโผเข้ามาเกาะที่หิ้งพระคนทั้งบ้านผงะงายไปตามกันดวงตาเหลือกลานด้วยความกลัวลุงเห็นดังนั้นจึงแก้เชื่อคาดเอวของอาจารย์ที่คาดติดมาเอามาหวดเจ้าการ้ายตัวนั้น เหตุการณ์ได้เกิดปั่นป่วนที่สุดการ้ายทลาโฉบจะตีใครต่อใครต่างก็หลบกันวิ่งวุ่นลุงได้หวดถูกเจ้าการนั้นทันทีมันร้องเสียงผิดกาธรรมดาแล้วบินหนีออกจากหน้าต่างไปลุงหันมาเอาน้ำมนต์อมพ่นใส่คนไข้เขาสองสามพรวด แล้วเปิดย่ามยาขึ้นมาหยิบยาอะไรก็ไม่ทราบให้ทิดกอสั่งว่าให้กินตามกำหนดแล้วผุนผันฉวยห่อผ้าขาวมหาเวนนั้นแล้วก็ถือไว้บอกลาเจ้าของบ้านอย่างด่วนๆไปว่าไอคคากว่าผมจะปิดย่ามยาเรียบร้อยความรีบร้อนของลุงก็ได้ก้าวลงบันไดเรือนแล้วผมรีบเห็นตามดังลมพัดเพราะแกได้เดินไปห่างมากมายมาทันกันที่รั้วบ้านแล้วต่อไปแกก็เดินอย่างเร็วตามนิสัยอ น, นิจจาเอย๋ย ผมต้องเดินกลางทุ่งมืดกับลุงแต่เพียงสองและก็เดินหลังด้วยแกเดินเร็วอย่างไม่ห่วงผมต้องวิ่งตามอยู่บ่อยๆความหวาดกลัวข้างหลังได้มาประดังหัวใจถ้าไอการ้ายมันตามมาหรือว่าใครที่ไม่ใช่กาแต่ว่ามันเป็นพวกเดียวกันมันเดินอยู่ข้างหลังผมเนี่ยผมตายแน่เลยความกลัวเกิดขึ้นทั้งหน้าทั้งหลังที่มือลุงคือไอห่อผ้าขาวนั่นและข้างหลังจะมีอะไรอีก ผมเร่งฝีเท้าแบบเร็วจีแต่ไม่ค่อยจะทันลุงคล้ายกับขาจะหมดแรงการเดินเหลียวหน้าการเดินไปเหลียวไปทำให้ช้าลงอีกแต่ไม่เหลี่ยวนั้นก็ไม่ได้อากาศมืดมิดเพราะเมฆฝนดำมาเมื่อมีอยู่บนสีสะของเราเสียงฟ้าคำรามซ้ำร้ายนานๆยังมีฟ้าแลบส่องสว่างให้เห็นอะไรต่อมิอะไรชั่วแวบ ในขณะที่ใจกำลังฝ่อฟ้าแลบทีจะมองเห็นอะไรก็ไม่อยากจะเห็นเสียงของฟ้าร้องฟ้าคำรามและเสียงของพายุฝนตามหลังมาเสียงต้นไม้ชายทุ่งดังสู้ซากเกลียวกราววัวควายบ้านนาร้องเสียงดังไกลประดุดจะเกิดภัยผมใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก็เลยตะโกนเรียกลุงเสียงกระเส่าขอให้แกคอยด้วยแต่แกกลับตอบว่าก็ตามมาสิวะเป็นคาตอบที่ไม่ให้ความอบอุ่นแต่นิดเดียว ผมวิ่งตามเจ้ากระเป๋ายานั้นหิ้วไกลๆ ก, ก็ชักจะหนักชีวิตเด็กๆอย่างผมใครเขาจะโดนอย่างผมบ้างผมร้องไห้และวิ่งตามมาอย่างไม่ลดละจนเข้าเขตบ้านฝนก็หยาดเม็ดลงมาพอดีเจ้าดอกตาฝาดโดดเข้าเล่นงานเราซึ่งกําลังปัดปอดอยู่มันโดดเข้าใส่เพราะาเราเปิดประตูรั้วนั่นเองพอรู้ว่าใครเป็นใครมันก็ร้องอีทอีพอเข้าพ้นประตูเรือนสายฝนก็กระนาเจ้าดอกก็วิ่งเข้าใต้ถุนบ้าน ฝนได้ตกลงมาอย่างหนักแทบว่าแผ่นดินจะท่วมเป็นทะเลลุงและพี่อ่อนคงหลับแล้วผมยังหลับไม่ลงคงนอนกระสับกระส่ายอยู่ในโปง่งใจคอจดจ่ออยู่ที่ไอ้ผ้าห่อขาวนั่นที่ลุงเอาเข้าไปไว้ในห้องดินฟ้าอากาศก็ช่างกระไรเลยสถานสะเทือนราวกับกินเลือดกินเนื้อเปรียงลงมาคราวไรผมเสียวปลั๊บเข้าไปในหัวใจทุกทีนอนเงียบหูฟังว่าจะมีเสียงอะไรผิดแปลกขึ้นบ้างในห้องแต่ก็เงียบดีในราวชั่วโมงกว่ า, วาฝนจึงซาเม็ด เหล่าเขียดปาดคางคกส่งเสียงลั่นนอนคำนวณอยู่ว่าพื้นดินคงนองไปด้วยน้ำเจ้ากบเขียดจึงลอยคอร้องกันอย่างสำราญบานใจเว้นแต่อีกชีวิตหนึ่งที่น่าเวทนายิ่งนักชีวิตนั้นคือไอ้ดอกมันอยู่ใต้ถุนมันคงหาความสุขยากเต็มทีบัดนี้คงกำลังนอนขดตัวอยู่บนลังไม้ฉําฉาอากาศก็หนาวเย็นเพียงขนกริ้งกรียนของมันก็คงจะไม่เพียงพอที่จะป้องกันความหนาวได้ จะเป็นเวลาช้านานสักเท่าไหร่ไม่ทราบรู้สึกตัวว่ากําลังจะเคลิ้ ม, มไปเกิดมีเสียงหนึ่งดังขึ้นเป็นเสียงใครเรียกลุงอย่างแหบเครือเสียงนั้นอยู่ด้านนอกชานตัวเรือนออกไปเสียงนั้นไม่ดังมากมายแต่ก็เป็นเสียงที่ฟังได้ชัดเจนใครกันหรอดึกดื่นป่านนี้แล้วมาเรียกกันและไอ้ดอกไม่เห่าทิ้งปล่อยให้ใครขึ้นมานอกชานได้อย่างไรพ่อหมอพ่อหมอผมใจหายไม่ขานแทนลุงอย่างที่เคยทํามา รู้สึกคร้านที่จะไปเปิดประตูดึกจนเท่าไหร่แล้วก็ยังมาตามหมอถ้าลุงไปไอเวรถือร่วมยาก็ผมอีกพ่อหมอพ่อหมอช่วยฉันด้วยเสียงนั้นเป็นเสียงของผู้ชายเรียกกระชั้นเข้าเอใครว่าจึงรอดปากไอ้ดอกขึ้นมาจนถึงชาญบ้านเป็นไรเป็นกันวะทําไม่ได้ยินละกันลุงได้ยินก็ไปเปิดประตูเองเถอะเอ๊ะหรือว่าความคิดหนึ่งเกิดขึ้น ใครล่ะจะรอดตาไอ้ดอกขึ้นมาได้ล่ะมันต้องเป็นพอนึกได้เท่านี้ความรู้สึกหนาวสะท้านเลยผมขดตัวอยู่ในโปรงนิ่งเงียบพ่อหมอเสียงนั้นยังคงเรียกอีกคราวนี้แหบแห้งลงกว่าเดิมแต่ว่าทันใดนั้นเองไอ้ดอกก็หอนขึ้นผมแทบจะเห็นเข้าห้องพี่อ่อนแต่ไม่กล้าลุกขึ้นแม้จา ก, กระดิกตัวเกรงว่าเสียงขยับกายจะดังไปถึงหูผู้ที่เรียกอยู่ข้างนอก รู้สึกเสียใจตัวเองที่มีกรรมโดนร้ายอย่างนี้แต่เดียวดายต้องนอนคนเดียวทั้งๆ้ ท, ง ท, งที่ก็กลัวพี่อ่อนคงนอนหลับอย่างสบายใจเพราะแกไม่รู้เรื่องอะไรเลยและก็ไม่รู้อีกว่าลุงเอาอะไรมาไว้ในเรือนเอ๊ะประสาทผมเป็นอะไรไปแล้วผมเป็นอะไรไปเนี่ยรู้สึกว่ามีลมพัดแรงเข้ามาถูกมุ้งและดันมุ้งตุงเข้ามาท้าบกับพ่อห่มที่ผมนอนคุมโปร่งอยู่ลมจริงๆด้วยเย็นกระทบร่างกาย แต่เจ้าลมที่พัดมาเนี่ยมันต้องพัดมาจากทางประตูทางอื่นไม่มีทางที่จะพัดมาได้เลยและประตูผมก็ปิดขัดดานแน่นหนาเรียบร้อยด้วยมือของตัวเองมันจะเปิดได้อย่างไรกันเล่าแม้จะมีลมแรงก็เปิดไม่ได้ผมมีความกลัวแสนกลัวแต่ความห่วงประตูดังขึ้นมาอีกถ้ามันเปิดได้จริงละ่ะผมก็ต้องมีหน้าที่ที่ต้องลุกไปปิดอีกกมแล้วกำอะไรเช่นนี้จะเรียกลุงและบอกเรื่องประตูแกก็จะดุเอาหาว่าเราเนี่ยลืมปิด สุดท้ายก็ต้องไปปิดเองใครเล่าจะไปปิดได้ที่มีกำลังมีเหตุการณ์แบบนี้มีเสียงใครเรียกอยู่ข้างนอกความห่วงในหน้าที่โดยได้รับมอบหมายมันทำให้เราใจแข็งต้องลุกขึ้นไปปิดประตูสิ่งที่ประทะลูกตาสิ่งแรกก็คือมุ้งของผมถูกลมพัดตลบเปิดโล่งและสิ่งที่สองก็คือประตูเรือนเปิดจริงๆเหมือนที่คิดไวจากสายตาที่มองจากความมืดออกไปประตูนั้นโล่งเห็นอากาศข้างนอกขาวสลัว โอ้ยเจาประคุณทำไมเป็นแบบนั้นเล่าผมไม่ลืมหน้าที่ผมปิดแล้วปิดแล้วจริงๆปิดกับมือตัวเองผมจําได้ไม่ผิดจะอย่างไรก็ตามทีเถอะจะถูกเคี่ยนถูกตีก็ยอมต้องร้องเรียกลุงให้ตื่นผมรับใช้มาก็หลายเดือนไม่เคยผิดแบบนี้เสียงนั้นยังคงเรียกอยู่ไม่ขาดทั้งๆ ท, ท, ที่กลัวลุงและก็กลัวเสียงนั้นผมร้องไห้ออกมาดังๆลุงจา๋าผมตะโกนเสียงลั่นให้ดังที่สุดแต่ก็รู้สึกว่า เสียงที่ผมตะโกนแหบเครือที่สุดพอเสียงผมตะโกนเรียกลุงดังออกไปพอขาดเสียงก็มีเสียงแซงขึ้นมาที่นอกชานประตูผมสะดุ้งตัวลอยเพ่งตามองดูตามเสียงภาพหนึ่งที่ปรากฏกับตาเป็นภาพเหลือที่จะทนทานลุงจ๋าผมแผดเสียงเต็มที่เลือดในกายแทบหยุดเดินขนหัวลุกสู้ซาไปทั้งตัวภาพของใครคนหนึ่งนั่งยองๆที่นอกชานร่างกายใหญ่โตวกว่าคนธรรมดา มันกำลังมองผมและดูว่าจะขยับกายลุกเดินมายังผมผมเลยหมดสติลงในบัตรดลเหตุการณ์ต่อไปผมไม่รู้อะไรมารู้สึกตัวตอนหนึ่งแสงแดดจ้าผมนอนอยู่พี่อ่อนนั่งอยกใก ล, กล้ๆผมถามหาลุงและได้รับคำตอบว่าลุงไปทุระพี่อ่อนเล่าว่าแกกำลังหลับได้ยินเสียงผมร้องสุดเสียงแกเกิดกลัวก็นอนตัวแข็งจนลุงตะโกนเรียกและจุดไฟก็เห็นลุงกาลังประคองผมอยู่ พี่อ่อนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นลุงก็ไม่พูดอะไรหายาแก้ไขให้ผมกินอยู่จนรุ่งสว่างพอเชา้าแกก็รีบเอาห่อผ้าขาวที่หิ้งพระถือออกจากบ้านไปปล่อยให้การพยาบาลผมไว้กับพี่อ่อนผมฟังพี่อ่อนเล่าเรื่องแต่อ่อนเพลียใจคอก็ยังไม่ดีจึงไม่ได้มาเล่าเรื่องตอนกลางคืนที่พบเห็นให้แกฟังปล่อยเป็นความลับไปเลยจนกว่าใจจะแข็งพอจึงจะเล่าให้พี่อ่อนและลุงฟังได้